สารบัญบทที่หนึ่งปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทคืออะไรสำคัญอย่างไรหัวข้อแห่งปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทคือกฎธรรมดาของชีวิตที่ดำรงอยู่ชัว่วนิรันดร์ถ้ามีรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทจะแก้ปัญหาชีวิตไม่ตกและจะพ้นจากนารกไม่ได้ เรื่องอบายสมนุษย์หทุกขติสองและสังสารวัฏถ้าเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างดีแล้วจะทำให้สามารถล่วงรู้ชีวิตทั่วสากลจักรวาลชีวิตในสากลจักรวาลแบ่งเป็นภูมิสี่กำเนิดสี่สัตวาวาส9วิญญาณทิฏฐิเจ็ 7, และภพสามถ้ามีรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท แม้ให้เป็นนักปราดอย่างไรก็อดมีความเข้าใจผิดในเรื่องชีวิตไม่ได้ความยากของเรื่องปฏิจจสมุปบาทอยู่ตรงไหนสำหรับคนที่รู้เรื่องนี้ดีแล้วก็อย่าประมาทจะเรียนโดยวิธีไหนจึงจะเข้าใจง่ายและควรศึกษาเรื่องวิญญาณก่อนอย่างไร